ก็ความเจญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่รมโพธยามในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานบรมีต่อไปก็เป็นการแสดงความหลากหลายถึงเจตนาบ้างถึงอาการบ้างถึงวิธีการบ้างของการให้ทานสุดแต่ละอย่างนั้นเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยบางอย่างก็เป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบหลักในการให้ทานเนี่ยคือเจตนาของเราผู้รับกับสิ่งที่เราให้อันนี้คือตัวองค์ประกอบหลักต้นนั้นก็จะเป็นปัจจัยเข้าเสริมเข้ามาประกอบอาจจะทําให้ลดลงก็ได้นะอาจจะทําให้เพิ่มขึ้นกระด้ก็แล้วแต่ต่อไปก็จะแมกแสดงไว้เป็นห้าเรื่องคือห้ากรณีเราเห็นว่ามีทั้งตัวเสริม ตัวปัจจัยที่เสริมคือทําให้ทานมีผลมีนิสงม์มากขึ้นประการต่อไปก็คงศรัท ธ, ธาทานในเช่นเคยคือศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นเรื่องต้องมีนะฮะต้องนําเพราะวา่าทานนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิสงของการให้ทานเนี่ยบางที่เราก็มองไม่เคยเห็นคนมักจะมีความรู้สึกว่าตนเองทําคุณต่อคนอื่นไม่ขึ้น ก็หมายความว่าเราจะสงเคราะห์นุ่เคราะช่วยเหลือกูอ้อกูลใครมามากมายกับกองแต่ความจริงก็ก็ไม่ได้สมมตคุณอะไรของเราแล้วคนก็ไม่พอใจที่จะไปช่วยเหลือเกื้กูลคนอื่นในลักษณะอย่างนั้นนะก็เป็นความรู้สึกทั่วไปเพราะ ง, งั้นถ้าหมอทํานายโอ้คุณเนี่ยดวงไม่ดีนะทําคุณกับคนไม่ขึ้นท้ายเถอะถูกทุกคนแ่ะมันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองโลกมันเป็นอย่างนั้นเอง คือว่าคนเราส่งเคราะห์น้องคร้อเขาในสมุติ่าร้อยคนเนี่ยแล้วพอสมนึกคุณเราสักห้าคนเนี่ยก็บุญแล้วต่อสมนึกก็แล้วไปนะมันไม่จะได้บรรทอนตัดรอนผลบุญอะไรของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาเพราะศรัทธาจึงอิงอาศัยหลักที่พระเจ้าทรงสอนไวก้การให้ทานนี่เป็นการดี มันเกือกูลแก่เราเกือกูลแกบู้คนอื่นแล้วก็เกื้อกูลแกบุคคลอื่นสมมติเราให้อาหารเขานี่นะมันก็เกื้อกูลแก่เขามื้อหนึ่งแต่ว่าผลทานที่เกิดขึ้นจากการให้แก่เขาเนี่ยมันเกื้อกูลแก่เราตลอดการยาวนานเกื้อกูลในขณะนั้นๆเกื้อกูลในขณะต่อไปแล้วเกื้อกูลในขณะต่อต่อไปแล้วขณะที่ท่านบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม คือคนที่มีปกติให้ทานในข้าวของไม่ค่อยหายนะแล้วก็มักจะได้ของที่ค่อนข้างพิเศษพิเศษมีคนน้นอยากให้คนนี้อยากให้อย่างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านสรุปไว้ด้วยข้อความ ห, หนึ่งว่ามันไพเราะคือคนชอบจะให้ชอบเข้าเฝ้าชอบดูท่านเลยไปแล้วก็ตามดูตามส่งไปเรื่อย ท่านบอกว่านี้เป็นอนิสงฆ์แห่งฐานที่ให้มาดีแล้วฝังคนที่ให้ทานมาดีแล้วเนี่ยก็คือองค์ประกอบต่งตางๆเรียกว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเสริมตรงนี้มันก็ตกแต่งให้เกิดความประณีตประยิ่งขึ้นในกรณีของศรัทธานั้นก็พูดมาแล้วนะว่ามันแสดงให้เห็นทั้งทั้งสามลักษณะใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ขจัดที่จริงก็ขจัดโลกอดลงด้วยกัน คือข้ออื่นเมืก่กาจัดลบคดลงแต่ว่าเกาจัดอะไรเป็นตัวหลักสทกานั้นเองข้อต่อไปท่านใช้คาว่าสัง ก, กัดจะทานคือการให้ทานโดยเคารพเคารพในสิ่งที่เราให้เคารพในเจตนาในการให้เคารพในตัวผู้รับเขาจะเป็นใครไม่สําคัญนะวันนี้ทันจะยากนะฮสจะยกตัวอย่างว่าเราต้องการถวายสังกัดทานสังกัดทานจ ร, จริงๆนะฮะ คือเราต้องไปขอสงสมมุติว่าจะนิมนต์มารดาที่บ้านเนะี่ยเราก็จะไปขอสมจากพระซึ่งทําหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นพรัตุเทศคือแจกพัดแจกพัดก็คือแจกอาหารนั่นแหละพระท่านให้ใครมาก็ทําใจยินดีเบิกบานเพลิดเพลินชื่นชมแล้วก็แสดงความเคารพต่อท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนของสงฆ์คือไม่ใช่เป็นเรื่องของปบาเจกชนแต่ว่าเป็นตัวแทนของสงฆ์ คล้ายๆกัเลยคล้ายๆกับผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนรัชเดจประสังการาชอย่างเงี้ยคือเราก็ให้ความต้องกันท่ากับสังการาเพราะท่านก็เป็นผู้แทนในเรื่องเหล่านั้นก็อย่างนึกขำเรื่องเนี้ยอาตมาเคยเจอตอนนั้นเป็นโสพลกนาพรนะที่จริงอายุก็สี่สิบกว่า มันเคยทําหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชต ร, รประพิษเนี่ยสองครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยที่จริงคือท่านไม่เสด็จไม่ได้แล้วแตท่านให้สมเด็จที่วัดตอนนั้นก็เป็นสมเด็จพญานาคสังวรก็ไปแทนสมเด็จไม่ว่างแต่ที่จะจะให้ผู้ใหญ่พูกอื่นไปท่านเรียกไงตมาไปเลยโอ้ยขบว น, นขบวนตำรวจทางหลวงขบวนตำรวจกองปราบบอกให้กลับเขาก็ไม่กลับ บอกว่าอาตมาไปแทนนะไม่ใช่สมเด็จนะไม่ต้องไปนำหรอกไปเองก็บอกไม่ได้อะท่านเป็นตัวแทนเวลาไปถึงเขาก็รับแบบสมเด็จสังฆราชแต่แมมันขืนเลยเงือแตกเลยอายต่อมานีกครั้หนึ่งก็ไปงานศพอีกเขากราบทูลสมเด็จเป็นประธานเป็นองค์ประธานในการจุดศพเกิดต้องทําหน้าที่แทนเ้าอีก ก็มันขืนๆนั่นนะนะแต่นี่ก็คือก็คือไปเห็นมันก็มีประสบการณ์นั่นเองว่าเออก็แปลกดีนหรือเข้าไปให้ความสําคัญในฐานะที่เป็นองค์แทนก็ธรรมะนี่ยเมื่อเราให้แล้วเนี่ยจะเป็นใครก็ตามเราให้ด้วยความเคารพให้จะให้ขอทานให้อะไรก็ตามอ น, นะนะต้องให้ด้วยความเคารพไม่ใช่ใเสือกใส่ให้หรือโยนให้ ท่านเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งดังมากนะในฉดกเนี่ยชื่อปันจปัป่าปลาหรือบางทีก็เรียกปันจัป่าปีคือแกมีพิ ร, รุธดูห้าจุดในใบหน้าของแกเนี่ยก็หน้าตาคงเยแเกน่าดูนะฮะแต่ที่แปลกก็คือมีสัมผัสเป็นทิพสัมผัสจับแล้วผู้ชายลหลงไหลคลั่งคล้ายเลยมาเห็นหน้าตาแล้วก็ยังไม่หายคลั่งเลย นในที่สุดเนี่ยพระราชาสองพระองค์เกิดพอพระไทยผู้หญิงคนเดียวกันต้องแย่งกันแล้วก็ต้องสร้างปราสาท ร, ระหว่างชายแดนเลยให้เป็นที่อยู่ของนางปัญจปปาาหรือปัญจปปีเนี่ยพระราชาก็เปลี่ยนกันมาอยู่ก็เป็นเวรกันคตินิยมแบบนี้มันก็คล้ายๆกับแบบคล้ายๆกับที่เบสนะั ในสังคมอารยันในเรื่องสงครามหาภาราตยุทธ์เนี่ยมันก็แสดงว่าพวกกษัตริย์ปานาดลบเนี่ยมีมเหสีร่วมกันตามคําปฏิญาณอะไรเขาก็ความเชื่อนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อโบราณก็เหต่หน้าตาท่านเยเกอ ย, อย่างนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากว่าท่านท่านท่านกับมังเอาดินเนี่ยมันฉาบฝาแล้วพระบาเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ กระถ่อมของขั้นเนี่ยมันมันจะสุดมันไม่มีดินเลียวพระนี่มันขุดดินไม่ได้มก็ยุ่งนิดหน่อยเลยทางก็มาบินทบาทก็แสดงอาการที่เห็นนะฮะว่าต้องการจะได้ดินนาก็ยัวว่วพวพระนี่มันวุ่นจริงขอเรื่อยเลยหลือก็จับบินกับแทะครูมไปเลยก็ยั่วมากอะหน้าตาก็บวมตึงพระปัจิเจกับพระเจ้าก็ไม่ว่าอะไร แล้วก็เสร็จแล้วมันก็คือขอเขามาแต่ว่ากระแทกไปแล้ว่นะมันก็ได้หลักอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ากตัดสนานติปฏิการหังสิ่งที่ทําแล้วทําคืนไม่ได้เพรตรงนี้ก็จําแนกคือว่าการที่ท่านให้ครั้งแรกเนี่ยกระแทกแล้วก็ขอเข้ามาโทษแล้วก็ให้จะใหม่กรรมก็ก็ให้ผลด้วยกัน ฝ่ายที่กระแทกหน้าตาบุตรบึ้งก็ออกมาเป็นรูปของหน้าตาบุตรบึง้งแต่ว่าส่วนที่ให้แล้วก็เอาดินนี้ไปฉาบฝากระท่อมของพระประฏิกรพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทําให้เธอมีสัมผัสเป็นทิพย์มีสัมสเป็นทิพย์ก็ก็ได้ทั้งคู่คือว่าทั้งบาปทั้งบุญก็ให้ผลด้วยกันมันก็ทำให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าต่างฝ่ายต่างแยกให้ผล มันเหมือนอะไรอะดูไนะม่ง่ายนะอันนี้นักเรียนเนียนหนังสือว่ามีเนื้อหาวิชาเหล่านั้นเนะ่ยมีบางข้อเนี่ยเราอย่าไม่เข้าใจบางข้อเราเข้าใจบางข้อเราแจ่มแจ้งเลยเวลาเจอข้อสอบมาเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่เข้าใจก็ผิดอยู่นั่นแหละส่วนที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนก็ว่าสียดย้อยเลยส่วนที่เข้าใจก็ถูกเพราะมันก็แยกกันให้ผลมันไม่ใช่ว่าไปลบล้างกัน ส่วนผิดก็ผี่ส่วนถูกก็ถูกส่วนเข้าใจก็เข้าใจส่วนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ตั้งความต่างก็แยกให้ผลทําหน้าที่ของตัวเอ ง, งการให้ทานจริงต้องให้โดยความเคารพแล้วก็เป็นการละทานคือให้ทานเหมาะสมแก่การแก่การที่จะให้เช่นเวล่วเนี้มันมันก็หน้าอึดอัดนะหลายลหลายเรื่องแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแยอะแต่ก็ไม่รู้จะไหวยังไง่นะ คือพูดไปก็เท่านั้นเองคือไปถวายสังฆทานกับพระตอนเย็นไม่จะประเคีนคือถวายนะได้นะไม่ว่าอะไระแต่ไม่ต้องประเคีนเพราะถ้าประเคนเนี่ยอาหารประเภทเขาเรียกว่ายาประการลิก ค, คือกินช่วงเช้าอ่ะพวกอาหารน่ยอาหารพวกกับข้าวปูปลาอะไรต่างต่างเนี่ยข้าสงกระสานในทั้งหมดนะครับ ถ้าพระรับแล้วในพระจะฉันไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นสามิทิก็ต้องสละให้แก่คนอื่นไปแล้วก็ยันเนึองก็ปากบาดเข้าสารหารแนรงในเทศกาลต่างๆปากเสื้อบันทุกเป็นรถเลยบางทีเผลอก็มีคนมาปลอมเป็นลูกศิษย์รับขนขึ้นรถตัวเองก็เชิดไปหายไปเลยเดือมีเยอะแล้วเกิดนะทีนี้สมมติว่าพระได้มาเนี่ยท่านก็ไม่จะทำอย่างไางเี่นะ แต่ว่าวันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะจัดเด็กขึ้นมาเป็นชุดแล้วก็จัดแยกของมาเป็นสัดส่วนแล้วก็นําไปแจกในสถานที่บ้านพักคนจาลาบ้านเด็กบ้านเมตตากรุณาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทํากันได้และที่ยิ่งยิ่งก็คือว่าในขณะนั้นและตนมีความพร้อมหมายความว่าศรัทธามีทรัพย์มีแล้วก็จังหวะโอกาสมันเหมาะแล้วก็ของที่เราให้เนี่ยมันเหมาะสม เหมาะสมแก่การคือสมัครคนกลุ่มบุคคลบางคนอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องตอบสนองความต้องการของเขาไม่ใช่เขาหิวข่าวแทบตายอย่างเงี้ยเราก็ไปให้สมุดดินสอกับเขาอย่างงี้ก็แย่หน่อยไต่ตอนนี้ก็ดูก็ได้กาลเทศาสนะแบบอะไรล่ะกาลันยุตานะฮะมาตันยุตากาันยุตาลันยุตามาตันยุตาปริสันยุตาปกุละปา ร, ปรูปารมยุตาแล้วก็รู้จักตัวเราด้วยอนะ่ะ คือแนวแนวนีน้นนเขาเรียกแนวสัพพิส ธ, ธรรมเป็นการให้แบบสัพพิสถานคือทานที่สัตพุท ธ, ธเขาให้เนี่ยทีนี้ก็อนุภะหิตะทานคือการให้ทานโดยการสละอย่างแท้จริงไม่ใช่แบบออยเยือหรือแบบตุกเบ็ดเขาเรียกว่าความขันํำนวนที่ท่านใช้ในภาษาบา ล, ลีคนที่เด่นเด่นหนึ่งดังเนี่ยครับ เขาเรียกว่ามีฝ่ามืออันชุม่มหมายความมาล้างมือเตรียมจะให้ทานแบบอะไรยังนึกถึงการตักบาทของปุถ อ, อิสานะนะฮะเราจะหยิบข้าวเป็นคาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็ล้างมือเ่าเนียวมื่อติดมือนะแล้วก็ล้างมือคือมือก็ชุ่มอยู่ตลอดระยะเวลาเลยแล้วก็แสดงว่ามีความพร้อมที่จะให้แล้วก็มุ่งสละจริงๆ ไม่ใช่ไม่ใช่ตกเบ็ดไม่ใช่ว่าให้แล้วก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรต่อะไ ร, อ, อ, ะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อุปหัดจะทานคือไม่ไม่เดือดร้อนเราเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะการให้ทานอย่างที่บอกว่ามันเป็นการปฏิบัติระดับสวัสดิการคนอื่นได้รับสวัสดิการจากเราแล้วเราเองก็ได้เพิ่มภูมิความดีเพราะการให้ทาน มันสีเนี่ยเป็นระดับสวัสถิภาพคือมันเกิดสวัตถิภาพแต่ทานเนี่เป็นระดับสวัสดิการแต่นี่การให้การสมเคราะห์เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับการไม่ไม่สมเคราะห์คือสมเคราะห์ไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขาถือว่าเหมือนกับไม่ได้ให้แต่ว่าถามว่ามีบุญไหมมีอนิสงฆ์ไหมมันก็พอมี น, นะคือจะหายไปเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ ทีนี้ในในขณะเดียวกันเนี่ยท่านในทานสูตรทานวักในอังคุตระนิกายท่านก็จำแนกไว้ถึงแปดประการบางคนก็ให้โดยความคาดหวังว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้หรือจะจจะเห็นว่ามันมีโลภะแล้วพร้อมจะเกิดโทสะและพร้อมจะเกิดโศกะเพราะถ้าหวังจะได้พอได้แก่ก็อยากได้ต่อ แล้วถ้าเกิดไม่ได้นะฮะแกก็อาจจะโศกะคือเสียเสียดายเสียใ จ, จที่ให้แล้วไม่ได้ทีนี้ถ้าคนนั้นน่ยอยู่ในฐานะที่เกิดโกรธได้เนี่ยเกิโกรธเลยก็กลายเป็นโทสะตกลงมันเพิ่มทุกข์หรือเพิ่มโกรธหรือเพิ่มโศกแันที่กิเลสจะลดน่ยกิเลสไม่ได้ลดอันนี้เป็นการสะท้อนมุมมองคือคือธรรมะในศาสนาเนี่ท่านสาธุชนลองสังเกตว่าท่านใชกคำว่าสแสดง คือมายความมาชี้ลงไปอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นนนนคื อ, อก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วก็แสดงลักษณะรวบวมรวบวมมาชี้ให้ดูสมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าประเภทของคนที่ส่งแสดงว่าคนบางคนมันมืดมาแล้วก็มืดไปหมายความว่าอ่อนด้อยทุกด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารแล้วก็ไม่ได้พัฒนาการสร้างสารรค์อะไร ผ่านเวลาไปเรื่อยๆจนแก่จนเท่าปลายก็จมปักอยู่อย่างนั้นเองอีกพวกหนึ่งนั้นเขาเรียกมืดมาแต่วสว่างไปอันจะเกิดมาอ่อนด้อยในด้านต่างๆเกิดมาหลังเขาเกิดมากลางทุ่งอะไรเนี่ยแต่ก็ได้โดนคนขวายเช่วเหลือตัวเองพัฒนาตัวเองสั้งสรรค์ขึ้นไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้า เนี่กลุ่หนึ่งก็เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคือเกิดมาในสกุลที่สมบูรณ์ทุกอย่างเศรษฐกิจ ด, ดีสังคมดีการเมืองดีนะครอบครัวก็มีสถานะดีแต่ว่าลูกก็ไม่เอาทั้งฐานทั้งขี้เท่าทั้งอ่าวทั้งแหลมนะฮะไม่เอาอะไรเลยว่าในสุด ก, ก็เสื่อมไปเรื่อยคนอีกพวกหนึ่งนั้นเกิดมาสว่างมาสว่างไปคือเกิดมาสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็เป็นอนุชา ต, ตบุตรหรือพิชา ต, ตบุตรก็ว่ า, ากันไป เราเห็นว่าคนเหล่านี้ที่จริงเขามีอยู่แล้วผู้เจ้าก็แสดงคือสะท้อนพวกภาพรวมมาให้ดูก็เลือกเราเองชีวิตในโลกนี้มันมีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับการไม่เข้าพานการเข้าบัณฑิตการบูชาผู้คนพูกษาที่จริงผลพานก็มีอยู่แล้วบัณฑิตก็มีอยู่แล้วผู้ทพิพากชาก็มีอยู่แล้วปัญหาว่าคุณจะเลือกใครก็เป็นความสมัครใจขอนตัวเอง พุทธนาก็ชีบอกให้เป็นการแสดงให้ประเภทการใหทานเหล่าเนี้ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าให้ทานเพราะกลัวกลัวใครละ่ะก็แล้วแต่อาจจะกลัวคนอื่นเพื่อจะตำหนิเอาอาจจะกลัวว่าจะน้อยหน้าคนอื่นนะเข า, ามีวิธีแข่งขันกันเคยถามไหนที่หนึ่งมารู้สึกว่าเอ๊ะวัดที่ทำามมัญหาเงินได้เยอะอะไรเงี้ยถามมาทำทำอย่างไงได้เงินว่ายัางไง คนที่อยู่ในนั้นนขาเล่ากันเขาบอมีวิธีพอเขาล่าอ๋อแบบหน้าม้านี่แบบหน้ามาแบบ้ า, มาเจาเห็นว่าวมันถึงกับศาสนาพิธีเขารักษาคนก็ให้คนปีโกงพิการอะไรต่างๆนี่เราออกเป็นภาพขึ้นมาทำอ้างอธิษฐานพระผู้เป็นเจ้าวโวลีลาเก่งหยดย้อยเลยหน้าม้าก็อยู่ในนั้นออกมากระยองกระแย่งมันเลยขาหักบ้างแข้งหักบ้างตาบอดบ้างอะไรต่ารเนี่ยออกมาถึงกับพวกนี้ก็ทำวิธีอธิษฐาน เสร็จแล้วก็ค่อยทดสอบดูเช่นว่าขากระเรกเนี่ยทดลองเดินดูสิพ อ, อเดินดีขึ้นนะฮะเพราะแกไม่ได้ไม่ได้บาดเจไไ็บอะไรอหรอแล้วก็เสียแรงมาเดินนิดน่อก็หายอันนี้มันก็เกิดเป็นภาพลวงตาที่คนคก็จะเชื่อแล้ะในสุดส่วนหนึ่งในบางเรื่องเนี่ยมันสําเร็จได้นะมันเกิดจากพลังจิตพลังความเชื่อของคนเรานั่นเองแล้วก็เรื่องถ้าไม่แรงเกินไปเนี่ยมันหายได้ เกิดกิดใจมีกำลังมีขวัญมีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยเพราะในความกลัวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากหลายเรื่องอาจจะกลัวว่าคนก็จะตำหนิกลัวจะรับการรกย่องกลัวจะไม่ได้ศักดศรีทะเทียมกับบุคคลอื่นกลัวจะน้อหน้าคนอื่นอย่างเนี้ยนี่ฉัน จ, จะสร้างจากนั้นอย่างนั้นนะใครจะช่วยอะไรทลายเนะี่ยลองบอกเสียหน้ามาก็ขึ้นพวดไปเป็นแสงแสงล้นลานแดดเอา้า คนนี้ก็ขึ้นคนนี้ก็คล้ายๆกับประมูลนะนะคล้ายๆกับประมูลอนะ่ะเอานี่เขาให้ตอนนี้คุณให้แสนนะคุณจะเอาเท่าไหร่อ่ะโ้ยแสนนก็เสียศักดิ์ศรีได้บรรลรวยกว่าเขาเนี่ยมันก็ขึ้นไปแสนห้าเอากไปถามคนที่รวยกว่าขึ้นไปเรื่อยๆแกว่าพักเดียวรวยอลยไอ้เนี่ยคือคื อ, ค, อคือจะกลัวจะกลัวน้อยหน้ากลัวจะเสียศักดิ์ศรีกลัวจะไม่สมแก่ฐานะกลัวจะอายเพื่อนเขาแล้วก็กลัวไปเรื่อยนะฮะ แต่บางทีก็กัวดีนะฮะจช่นว่ากลัวว่ า, วาต่อไปจะยากจนต่อไปจะไม่มีพวกต่อไปจะตกนรกก็แล้วแต่จะคิดนะนะฮะแล้วก็ให้ทานพวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมคือเข้าประกอบประกอบที่ช่วยให้บุคคลได้ทําความดียิ่งขึ้นไปบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เรามาแล้วเราก็ตอบแทนบุคคลเขาอันนี้ก็เป็นลั ก, กษณะอะไร้ละ ให้ท่านท่านจากให้ตอบสนองรดท่านท่านจะปอง n g เงาไว้รักท่านท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้ในผู้ตรรชนเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาแล้วข้อต่อไปก็บอกว่าการที่เราให้เขาในบาลังก็จะให้ตอบแทนเรามันก็มีความหวังลึกๆนะคือแม้แต่ว่ามารดาบิดาที่เลี้ยงดูบุตรใน ท, ที่จริงก็มีความหวังลึกๆอยู่ ว่าเมื่อเราแก่เท่าลุงเนี่ยลูกก็คงจะไม่ทอดทิ้งคงจะเลี้ยงดูเรานะคงจะไม่ทอดทิ้งเรานี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนเรามันก็มีความหวังอะไรอยู่ยือปรารถนาอะไรเวลาทํอะไรวันก่อนนี่ไปเจอเอกสารนี่ท่านชิออสุนทรเกตมีการพิมพ์เผยแพร่ไปเจอหลายแห่งนะก็พิมพ์ไว้ในที่ต่าง เรวก็จะเห็นอะไรอย่างหนึ่งคือว่าพ่อแม่เองก็หวังการดูแลเอื้อเฟื้อจากลูกแม้จะไม่มากอะไรก็ตามมันก็หวังแต่บอกว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากก็ระยังอยากเเ็นลูกหลานแต่ชีพิทนทานยอมร้าวรานสลายไป ขอเธอทถ้าสงสารอย่ากราบขาในช้ำใจคนแก่ชแชร์วัยคิดเผือไพรเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาอรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนประสุกใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเราเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยังป่วยไขย้ได้ใครเล่าเ็ปลอบโยนความเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนบวังเพียงจะได้ยนเติบโตจนสง่างาม ขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆอย่างใจแท้มีแต่ความหวังติดตามชื่ออวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝังมีรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝังไว้ให้หวังเวงก็เศร้าดีนะฮะแต่ว่ามันก็แสดงอะไรให้อย่างหนึ่งว่าพ่อแม่ก็คาดหวังนะว่าลูกที่ท่านเลี้ยงมาแล้วนี่ต้องเลี้ยงท่านตอบหรือว่าอย่างที่ราชการถกทรงปฏิพอาไว้ได้ยว่า เมื่อแกเฒ่าหวังเจ้าความรับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าความรักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยติดตามันเมื่อสิ้นใจเพราะในะกระบวนการนี้จริงเป็นกระบวนการของเหตุผลเมื่อปลูกเหตุเมื่อทําเหตุแล้วก็ควรจะได้ผลจะต้องหวังผลในระดับใดระดับหนึ่งหรือแม้จะเป็นวิถีสังคมเช่นว่าเออเขาให้เราวันนี้เราให้เขาวันนี้ต่อไปก็จะให้เราอะไรเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึก ถึงแม้จะมีโลบอะไรอยู่แต่ก็มีความเอื้อเฟื้อพอสมควรนะฮะแต่ว่าไม่ใช่คิดแบบตกเบ็ดดังที่กล่าวสิ่งซึ่งหลักการเหล่านี้ส่วนหนึ่งมันก็เป็นวิถีชีวิตพิธีสังคมซึ่งมีอยู่ในทุกคนทุกแขง่งแล้วก็ปรากฏในที่ต่างๆมากท่านก็นมารวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้พิจารณาเลือกเขาเองว่าการกระทาของคุณแต่ละข่าวเนี่ยคิดยังไงทาแบบไหนแต่ทั้งหมดมันก็เป็นฐานบารมี ในดับอยากบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็าตามแต่เจตนาทั้งฟังทั้งหลายตอลงพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่าดีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูดในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี